กรรมาฐานประกอบด้วย2 ส, ส่วนคือฐานกับใจทีนี้จำได้ไั้ยอาจารย์บอกว่าหลักการของการทำกรรมาฐานเนี่ยมีใจความสำคัญอยู่สองข้อข้อแรกคือเข้าใจองค์ประกอบของกรรมาฐานว่าประกอบด้วยฐานกับใจเสร็จแล้วอาจารย์ก็บอกว่าให้รู้ทันในใจความที่2ก็คือให้รู้ทันวาละ ของใจสามวาระคือใจอิทธิฐานเป็นยังไงใจหลงออกจากฐานไปเป็นยังไงแล้วใจกลับคืนมาได้เป็นยังไงเข้าใจไหมโอเคทีนี้จะเห็นได้ว่าอาจารย์จะทำลูกสร อ, อย่างนี้เห็นไหมใจหลงออกไปในรูปแบบของความเผลอคิดสดมมติความเผลอคิดที่เวลามันคิดไปอ่ะมันก็จะพ่ายทางไหน นะมันมันเป็นความคิดแบบส่วนมากนออกไปก็เป็นอกุศลบ้างนะซึ่งแน่นอนว่าผลสุดท้ายเขามันก็จะเป็นทุกข์ส่วนความตั้งใจคิดเนี่ยมันจะมีสติมีสติมีสมาธิเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นความตั้งใจคิดมันจะไปในทางของความเป็นกุศลแน่นอนว่ามันจะเป็นบุญมันพาสุขไปสู่สุขคติ ในขณะที่ความเป็นทุกข์หรืออกุศลก็นำสู่อบายภูมินะอันนั้นสู่สุขติภูมิเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าแค่การที่ใจมันหลงออกไปเนี่ยแค่ใจมันหลุดออกจากฐานไปเนี่ยนี่เราพูดในกรณีของใจที่มนหลุดออกจากฐานไปนทางความเผลอคิดซึ่งสามารถจะกลายเป็นอกุศลเนี่ยในขณะที่ ใจหลุดจากฐานไปในรูปแบบของความตั้งใจคิดเนี่ยคุณมองเห็นว่าเป็นความต่างกันไหมต่างกันไหมเพราะนั้นจำเป็นไหมที่ต้องรู้ทันมันจําเป็นไหมนั่นคือเหตุผลว่าทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าต้องรู้ทันวาระของใจสามวาระทําไมต้องให้รู้ทันเพราะเมื่อใ่ก็ตามที่มันไม่รู้ทันเนี่ย โอกาสที่เราจะจมจมไปใ น, ในในในวังวนแห่งความคิดแบบเนี้ยมีไหมคิดดีมีไหมติดจมอยู่ในความคิดดีมีไหมคิดไม่ดีมีไหมติดจมในความคิดไม่ดีมีไหมอาการที่มันติดจมอยู่ในความคิดทั้งดีและไม่ดีเนี่ยนั่นแหละคือสิ่งที่มันยังจอมจม อ, อ, อ, อยู่ คือความไม่พ้นมันเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่หลวงปู่พุทธทาตบอกว่าชั่วหรือดีก็อับปีพอกันถ้ายึดมั่นถือมัน่นเพราะว่ามันยังทําให้ต้องมีภพมีชาติต่อไปมันคืออาการที่เราต้องจอม จ, ม, จมยังติดยังข้องอยู่ในความรู้สึกความกคิดอารมณ์ใดๆพวกเราสวดมวนต์ตอนเชา้าไหมเมืเ่อเช้าได้แผ่เมตตาตอนเชา้าไหมฮะ มีสัตว์มีขันขันเดียวมีขันสี่ขันมีขันห้าขันจะท่องยังกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่มีไหมเคยเข้าใจหัหยเข้าใจั้ยเข้าใจแบบไหนก็เข้าใจแบบนั้นแหละแ ต, แต่แต่อาจารย์อยากจะบอกว่าเอาความเข้าใจแบบไม่ต้องไปคิดให้มันให้มันมากให้มันวุ่นวายกับอะไรมากมายนะ เอาแบบที่มันอิงในเราเลยดีกว่ามีขันขันเดียวก็คืออาการที่มันมีสักยะที่ติิเต็มประตูมองเห็นเป็นกูนี่แหละขันขันเดียวไม่มีแบ่งกายจิตรูปนามกายเวทนาจิตธรรมหรือรูปเวทนาสัญญาสถานวิญญาณคือมีกูอย่างเดียวนี่แหละเนี่ยมีขันขันเดียวมีขันสีขันคือมองเห็นเป็นกายเวทนาจิตธรรม มีขันห้าขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใกล้ น, นี่แหละอันเดียวนี่แหละที่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยพบใหญ่จมอยู่ในความคิดนานก็พบใหญ่จมอยู่ในความคิดสั้นๆก็พบน้อยเพราะ ว, วันหนึ่งวันหนึ่งไอ้ น, นี่มันจมอยู่ในพบเยอะไหมยเยอะไหมยเยอะยพบน้อยพบใหญ่ด้วยใช่ไหม เอราะจะเห็นเลยว่าเมื่อใดก็ตามที่มันไปติดมันก็คือติดก็ เ, เห็นไหมทุกเพราะการทําความดีมีไหมเห็นมไหมทำไมถึงมีได้เะรอ้ เ, อเมื่อทําความดีต้องไปทุกสีแล้วไปทําความดีแล้วไปถึงทุกทุกได้ไงทําความดีอ่ะ ือทําความดีแล้วมาทุกได้ไงเคยมีลูกแล้วทุกเพราะลูกไหมเพราะอะไรเอาที่เราสอนเขามาดีไหมแล้วพาเขาทําดีไห ม, ไหมให้การเลี้ยงดูเขาดีไหมเอาดีแล้วทาไมทุกอะไม่ได้หลังใจคําว่าไม่ได้ด่งใจแปลว่า แปลว่าเรามีภาพในใจเราไว้แล้วใช่หรือไม่เรามีภาพในใจของเราไว้แล้วว่าอยากให้ลูกเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อยากให้ได้อย่างนี้อย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนี้อ ย, นอย่าง น, างนี้มันมีภาพอยู่ในใจความคิดของเราเห็นไหมเรากำลังจมอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ด้วยภาพของเราเสร็จแล้วเราก็เอาสิ่งที่ลูกกำลังแสดงออกนั้นมา เปรียบเทียบเทียบเคียงแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังไม่เป็นดังใจตัลงเราทุกข์เพราะลูกทุกข์เพราะลูกทำใช่ไหมทุกข์เพราะลูกทำไม่ให้ได้หลังใจใช่ไหมไม่ลูกมันทำได้เท่านั้นแหละแต่ไอ้ที่ทุกข์ทั้งหมดอะใจเราล้วนๆเลย ที่เราสร้างอะไรไว้บางอย่างแล้วเราก็ไม่ได้ดังใจทใี่เราสร้างเองเห็นไหมมันไม่มีใครมาทำให้เราหรอกทุกอะ่ะมีแต่เร า, าทำตัวเองมีครั้งหนึ่งพระอาจารย์พระอาจารย์เนี่ยมีโยมคนหนึ่งเขาเฝ้านิมนต์หลวงพ่อคาเขียนอยู่ห้าปีขเขาไม่ไม่ได้ทันทีเลยนะ สุดท้ายเนี่ยหลวงพ่อก็เลยบอกว่าอาจารย์อาทิตไปแทนแล้วกันท่นก็โทรบอกเขาว่าเนี่ยเพราะคุณก็พิจารณากันเองแล้วกันหลวงพ่อไปไม่ได้แต่หลวงพ่อบอกว่าให้พระอาจารย์ไปแล้วแต่พวกคุณพวกคุณเป็นโยมเป็นโยมนีมน่มลงั้นเขาประชุมกันแป๊บนึงเขาประชุมกันสักพักหนึ่งเข า, าก็โทรมาบอกว่าถ้างั้นพระอาจารย์ นีมือนพระอาจารย์แทนหลวงพ่อก็ได้ค่ะเราก็เลยไปแล้วระหว่างที่ก่อนจะถึงวันที่เราไปนะเขาก็คุยกันใครจะมาก็มากใครไม่มากก็แล้วไปนะเพราะว่าตอนนี้หลวงพ่อไม่ได้มาอ่าก็มีคนผิดหวังเพราะหวังว่าจะได้หลวงพ่อมาใช่ไหมเขาก็ถอนตัวกันหลายคนก็ถอนตัวไปเยอะเสร็จแล้วมีมีโยมคนหนึ่งเขาว่าพูดวันสุดท้ายนะวันสุดท้ายเขาบอก ตอนแรกโยมได้ยินว่าหลวงพ่อไม่มาโยมก็ว่าจะถอนตัวแต่โยมก็คิดว่าเอ้ไหนๆล้วก็สมัครไปแล้วก็มาดีกว่าแล้วยมมานะพระอาจารย์โยมมาแบบไม่ได้คาดหวังอะไรเลยพระอาจารย์เลยอ่ะไม่ได้คาดหวังอะไรกับพรอะาอาจารย์เลยนะเพราะโยมมาคาดหวังกับหลวงพ่อ <c oughs> ที่บอกพอเปลี่ยนเป็นอาจารย์ปุ๊บเลยโยมไม่คาดหวังเลยโยมก็อยู่ไปอยู่ไปหมันครบวันไปงั้นแหละ แต่ไม่น่าเชื่อพระอาจารย์ความที่ยมไม่คาดหวังอ่ะยมได้เยอะมากเลยพระอาจารย์เรยบอกที่ได้เยอะมากเพราะคุณไม่คาดหวังไงเพราะเมื่อเดกกรตามที่คุณคาดหวังปุ๊บคุณก็จะมีวัดระดับว่ามันเป็นไปอย่างที่คาดไหมแล้วคุณจะรู้สึกว่าไม่ได้แต่พอคุณไม่คาดหวังปับ๊บคุณก็ได้ได้เท่าไหร่คือเท่านั้นแล้วก็เก็บภาวะได้ไปเรื่อยๆเห็นไหม คนละอย่างไหมเพราะฉะนั้นความคาดหวังมันก็คืออาการที่เรามีภาพอยู่ในใจมีความคิดอยู่ในใจมีสมมุติบัญญัติอยู่ในใจแล้วเราก็รู้สึกว่าอย่างนี้ยมันจะเป็นไปอย่างนั้นไหมเป็นไปอย่างนั้นไหมซึ่งแน่นอนว่าสิ่งนั้นเมื่อเรามีความคาดหวังมันมีความมันมีทางไปอยู่สองทางคือ สมหวังกับสมหวังกับผิดหวังเพราะฉะนั้นความสำคัญมันจริงไม่ใช่ที่การการที่เราจะได้อะไรแต่ความสำคัญอยู่ที่ว่าเราต้องไม่คาดหวังเพราะเมื่อไดก็ตามทุกคุณคาดหวังคุณจะมีการเปรียบเทียบกับสิ่งที่คุณได้ทันทีใช่หรือไม่จริงมะ ฉันใดก็เหมือนกันสิ่งที่อาจารย์กำลังพูดอยู่ตรงนี้ก็คือต้องการบอกให้รู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณทำดีแล้วคุณติดก็เพราะคุณคาดหวังความติดมันไม่ได้ติดอะไรทำดีแล้วมันติดก็คือมันไปทุกข์ทำดีแล้วไม่ติดคือมันไม่ทุกข์แต่ความดีให้มันจบไปในดี น, นั้นอะ อันนั้นนะ่ะคือเรื่องที่มันสมบูรณ์แบบในตัวของมันเพราะฉะนั้นทางออกของมันจึงอยู่ที่ตรงนี้คุณสังเกตดูไหมลูกสอนมันมีสองทางไปและกลับนั่นหมายความว่าเมื่อไดก็ตามที่ใจมันหลงจากฐานไปไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหลบเพ้อคิดหรือฝ่ายตั้งใจคิดสิ่งสำคัญก็คือการกลับมารู้สึกตัว พอเมื่อใดก็ตามที่จิตกับคืนสู่ฐานได้จิตจะกับคืนสภาพเดิมก็แค่รู้เฉยเฉยไม่ได้เป็นอะไรนี่แหละทำไมถึงอยากให้รู้เท่าทันวาละาของจิตที่มันออกที่มันกลับก็เพราะว่ามันจะสังเกตเห็นความต่างเมื่อใจตั้งอยู่ที่ฐานใจเป็นอย่างไรสภาวะจิตสภาวะของใจที่มันอยู่ที่ฐาน มันอยู่ในสภาพเดิมของมันคือแค่รู้เฉยๆสังเกตดียวกมือขึ้นสิหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกไหมมันด่าแม่ใครไหมน่ะมันด่าตัวเองไหมมันโกรธมันโลภมันหลงไหมไม่มันไม่หลงด้วยเพราะมันรู้อยู่เพราะภาวะที่จิตมันกลับคืนมารู้อยู่นั่นแหละมันคือสภาพว่าเดิมของมันที่มันไม่ได้เป็นอะไร มันไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์ไม่ได้บุญไม่ได้บาปไม่ได้โลภไม่ได้โกรธไม่ได้หลงไม่ได้เป็นอะไรทางนั้นแค่รู้เข้าใจไหมมันแค่รู้เพราะฉะนั้นการใช้อิรลียบทของกายเป็นฐานเพื่อให้ใจมาระลึกรู้เนี่ยมันจึงเป็นตัวเสริมตัวเสริมอะไรเสริมให้ใจกลับคืนสภาพเดิมได้ดีที่สุด เพราะอะไรเพราะอาการเคลื่อนไหวของกายมันทำให้ใจไม่นีมมีรสชาติไม่ไปอิงกับรสชาติแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าใจไปอยู่กับความคิดไปอยู่กับอารมณ์โอกาสที่มันจะเพี้ยงพร้ำไปสู่ความเป็นบวกเป็นลบสูงไหมสูงไหมโอกาสที่ใจจะจอมจอมในรสชาติแห่งความคิดความรู้สึกและอารมณ์เนี่ยง่ายไหมง่าย เข้าใจอย่างเห็นนี่เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าแม้นปิติจะเกิดแม้นสุขจะเกิดท่านก็ให้เข้าใจว่ามันเกิดอย่างนั้นแหละแต่มันไม่ใช่เรื่องที่จะไปอยู่เพราะใครก็ตามที่จะรักษาปิติไว้เหนียวแน่นจะรักษาสุขไว้ให้เหนียวแน่นมันยังทุกๆุกครั้งที่มันคิดอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะปิติมันเกิดแล้วมันก็ดับสุขมันเกิดแล้วมันก็ ดาบมันไม่มีอะไรจรงหลังยังอย่างนแต่ถ้าเราใจไปหน่วงเหนียวไว้เมื่อไหร่ไปเอาความปรารถนาของเราที่จะเหนียวล้งมันไว้ถูกไหมละ่ะเพราะมันไม่จะได้เป็นมันไม่ได้ดั่งใจทั้งทีใช่หรือปะ่ะมันก็จะไม่ได้ดั่งใจเพราะฉะนั้นนี่คืออานในส่งข้อแรกๆเลยที่ทำไมถึงให้เอา ใจมาละลึกลุกับกายกับอิเลียบวของกายไม่ว่าจะลมหายใจเข้าออกไม่ว่าจะมีอิเลียบวใหญ่อิเลียบวย่อยมันทําให้ใจที่กลับมาละลึกรู้กับขานกายตัวเนี้ยให้ใจมันกลับคืนสภาพเดิมคือแค่รู้เฉยๆดังนั้นภาวะมันกลับมาแค่แค่รู้เนี้ยมันทําให้ใจกลับคืนสภาพเดิมโดยอัตโนมัติทันทีเพราะฉะนั้นคุณสังเกตไหมเวลาคุณจมจมอยู่กับอะไรก็ตาม อยู่ในความคิดหรืออารมณ์ดก็ตามถ้าคุณกลับมารู้สึกตัวได้เมื่อไหร่ปั๊บสิ่งที่มันจอมจมอนั้นจะหายไปทันทีใช่หรือไม่เราจะพบกับความหลุดจากการจอมจมทันทีเคยนั่งเมอไหมเคยไหมขณะที่นั่งเมอเราจอมจมไหมสังเกตดูไหมว่ามันมีอาการจอมจมใช่หรือไม่ เมื่อด้วยความสุขเมื่อด้วยความทุกข์ก็ตามเหอะมันมีความจอมจมลงไปในสิ่งเหล่านั้นถูกรึเปล่าทีนี้ถ้าใครมีสมา ส, สกิดเราไงสะดุง้งใช่ไหมในขณะที่เราสะดุ้งปุ๊บเนี่ยเรากลับมารู้กับกายที่มันกระตุกเนี่ยสังเกตรูร้ไหมไอ้เรื่องที่เราจอมจมอยู่มันหายไปทันทีใช่ไหมเรากลับมารู้เนื้อรู้ตัวใหม่อีกครั้งหนึ่งใช่หรือไม่เขาจึงบอกว่าให้กลับมารู้เนื้อรู้ตัวนะเห็นไหม ขวัญเอ๋ยมาเด้อขวัญเอ๋ยมาเด้อเนี่ยเห็นป่าขวัญก็คือสติก็คือใจอายุมั่นขวัญยืนมีอายุยืนยาวมีจิตใจที่เข้มแข็งมีสติที่มั่นคงจึงเรียกว่าอายุมั่นขวัญยืนยื น, ยนคนที่มันยังยืนได้แปลว่ายังแข็งแรงไหมถ้าคนมันล้มหมอนนอนเสื่อนี่แข็งแรงหรือยังมันเลิกความแข็งแรงไปแล้วใช่หรือไม่เพราะคาว่ายืนในความหมายเนี่ยมันจึงหมายถึงว่า มีภาวะแห่งความเข้มแข็งทั้งมัน่นถ้าตราบใดกด็ตามที่เรายืนได้อยู่เนี่ยแปลว่าเรายังมั่นคงอยู่ใช่หรือไม่ เ, <อ>เพราะฉะนั้นภาวะที่เอาใจกลับมาเลิกหรือฐานกายมันจึงเป็นตัวเริ่มต้นที่จะทําให้ใจกลับคืนสภาพเดิมนี่แหละคืออา น, นิสงส์อา น, นิสงส์ของการเอาเอาเอริยาบทหรือเอาฐานกายเป็นตัวเป็นอารมณ์กรรมาฐานเบื้องต้น เสร็จแล้วเมื่อใจมันกลับคืนสภาพเดิมของมันอย่างนี้ถ้ามันหลงออกไปฟึ้สในลนนักษณะนี้ออกไปอย่างนี้เหนะ็นไหมคุณจะเห็นว่ามันออกไปเนี่ยมันออกไปฝ่ายบวกฝ่ายลบก็ตามฝ่ายเฉยๆก็ตามถ้ามันออกไปแล้วไม่กลับมามันก็คือการติดตังติดอยู่ในอารมณ์นั้นๆจอมจมอยู่ในความคิดนั้นๆใช่หรือไม่ นั่นคือเรากําลังเวียนไวยนนยห <c oughs> อ ว, อ ย, ว, ยไวอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ก็ดีคือสังสารวัตรนั่นเองเขาจะยังเวียนไหวอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ก็คือ จ, จบอในสังสารวัตเพรา ะ, ะนั่นจะเห็นได้ว่าเมื่อมันหลุดออกไปปั๊บเนี่ยโอกาสแห่งการที่จะเวียนไหวในสังสารวัตรมีไหมมีไห ม, มอาจารย์ถึงถามพวกเราสังเกตดูไงว่าถึงบอกให้พวกเราสังเกตว่าพอใจมันหลงออกไปได้สังเกตไหม ใจมันเปลี่ยนคุณภาพทันทีใช่หรือไม่พอมันลงออกไปปั๊บมันเปลี่ยนคุณภาพทันทีเลยนะมันเปลี่ยนเป็นบวกเป็นลบทันทีเลยใช่หรือเปล่าเป็นเป็นบวกเป็นลบเป็นกลางแต่จริงๆแล้วเวลามันหลงออกไปเนี่ยเวลาใจมันออกจากฐานไปเนี่ยมันก็มีทั้งบวกทั้งลบและกลางมีไหมมีไหมความคิดแบบกลางกลางมีไหมความคิดแบบบวกบวกมีไหมความคิดแบบลบๆบมีไหมอารมณ์แบบกลางมีไหม อารมณ์แบบบวกมีไหมอารมณ์แบบลบมีไหมธรรมมีกี่อย่างธรรมมีกี่อย่างสมอย่างธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลธรรมที่เป็นฝ่ายอกุศลและธรรมที่เป็นฝ่ายกลางเข้าใจยังกุศลธรรมะอกุศลธรรมะตาธรรมะเข้าใจยังอมันมีธรรมที่เป็นฝ่ายบวกธรรมที่เป็นฝ่าย ลบทำที่เป็นฝ่ายกลางถามว่าไอ้สามอย่างเนี่ยอะไรเยอะที่สุดบวกกลางลบชื่อชีวิตติดลบอะไรกลางเนี่ยมันเยอะที่สุดความเป็นกลางกลางเนี่ยมันเยอะที่สุดเลยบวกกับลบนะ่ะมันแค่ โผมาเป็นครั้งเป็นคราวเหมือนน่ยเวลาเราเกี่ยวข้องกับน้ําเนี่ยเราเกี่ยวข้องกับน้ําที่ไม่มีรสชาติหรือน้ํามีรสชาติมากกว่ากันในตละวันน้ําไม่มีรสชาติมันเกี่ยวข้องนั่นแต่ลืมตาเลยพี่น้องเอ้ยจะดื่มจะล้างหน้าแปรงฟันทายอุจจาระขับปัสสาวะเกี่ยวกับน้ําจืดทั้งนั้นนะ่ะอาบน้ำพวกเนี้ยใช่หรือไม่ แต่เราเคยสนใจมันไหมไม่เราสนใจแต่ น, น้ำที่มีรสชาติซึ่งมันเป็นแค่ตัวน้ำจิ้มตัวประกอบในชีวิตอะ่ะเข้าใจไหมแหมมันเป็นตัวน้ำจิ้มตัวประกอบในชีวิตอะ่ะเราเกับสนใจมันมากกว่าสิ่งที่มันเป็นน้ำจืดๆทั้งวันเนี่ยเราเกี่ยวข้องไอ้ตัวนี้ทั้งวันเลยอันที่สาคัญเนี่ยก่อนที่จะเป็นน้ำเป็นรสชาติทั้งลายทั้งปวงอะ่ะมันมีรสอะไรก่อน มันจืดก่อนใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเริ่มต้นที่ความเป็นกลางเพราะขณะที่มันเป็นกลางเรากับไม่ค่อยรู้จักเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านหนึงสอนให้เราทำกรรมฐานให้ใจระลึกรู้กับภาวะเป็นกลาง ทั้งวันดูสิเห็นไหมยกมือขึ้นปุ๊บรู้หายใจเข้าปุ๊บรู้เดินไปเดินมารู้ภาวะรู้ที่มันเป็นกลางกลางเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยเราเดินไปแต่ละก้าวด้วยความตั้งใจเนี่ยเป็นกรรมไหมเป็นไหมกรรมคือมีเจตนาที่จะทําเข้าใจยังเห็นไหมเราข้างใรู้เนี่ยเป็นกรรมแตเ่เป็นกรรมที่เป็นกลางกลางยกมือไปยกมือก็เป็น กลางกลางหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นกลางกลางกินข้าวเคี้ยวข้าวก็เป็นกลางกลางคือทาให้มันเป็นกลางก่อนทุกครั้งที่ใจอยู่ที่กรรมฐานมันเป็นกรรมที่เป็นกลางเข้าใจอยางแนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นในตอนที่มันจะไปบวกไปลบเข้าใจอย่างแค่นี้มันจะได้แยกออก ว่าชีวิตเนี้ยมันไม่ได้อยู่กับบวกลบแต่มันอยู่กับความเป็นกลางบวกลบเป็นเพียงน้ำจิ้มที่โผลมาเป็นครั้งเป็นคราวแต่เรากลับเผลอไปสังเกตดูไหมไปหลงไหลได้ปลื้มตอนแรกอาจารย์ถามแล้วอยู่กับรามฝ่ายไหนมากก็ลบ <laughs> น่ากลัวมากเลยอ่ะ คิดว่าชีวิตมีแต่เรื่องลบอะเข้าใจไหมถ้าชีวิตนี้มันอยู่กับเรื่องลบตลอดวันมันตายไปนานแล้วลรกซึมเศร้าเข้าใจไหมถ้าชีวิตนี้มันติดอยู่ฝ่ายบวกตลอดวันต้องไปโรงพยาบาลแล้วมันจะเอิกอักเอิกอักเกกกตลอดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอยู่กับอะไร กลางไอ้ น, นี่มันโผลมาแค่ให้เราเห็นเพราะการที่มันโผลมาให้เราเห็นก็เพื่อให้เรามองเห็นว่านี่ไงบางครั้งบางเวลาใจเรามันก็หลงไปสู่เป็นบวกหลงไปสู่เป็นลบแต่แท้ที่จริงแล้วทั้งบวกและลบมันก็แค่น้ำจิม้มมันไม่ใช่ส่วนใหญ่ของชีวิตแต่คนมักจะเผลอหลงเอาน้ำจิ้มเป็นเรื่องใหญ่ไงเข้าใจยัง ที่พูดตรงเนี้เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเราจะอ๋อที่แท้แล้วเราอยู่กับความเป็นกลางมากกว่าไม่ได้อยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช่หรือไมเออ่เพราะฉะนั้นถ้ามันจะไปลบปั๊บมไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมากลางถ้ามันจะไปลบว่าอไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมากลางใช่หรือไม่แต่คนสมบัติไม่ใช่ไงพราอมันเป็นลบปั๊บันจะตะเกกตะกายขึ้นบวกให้ได้เข้าใจไหมพอตะเกียกกายขึ้นบวกปุ๊บตกวู บ, บลงไปลบลนะ้เป็นลบอีกแล้ว แตพอตะเกีร์ตะกายขึ้นบ่วงสังเกตไหมเราลืมไปว่ามันไม่ต้องขนาดนั้นชีวิตเราเป็นกลางจ้าฟื้ตกปั๊บมาขึ้นมากลางขึ้นไปปุ๊บมาลงมากลางลงปั๊บมาขึ้นมากลางเห็นไหมขึ้นไปอย่างอาตกมากลางมันไม่ใช่ขึ้นสุดลงสุดขึ้นสุดลงสุดเข้าใจไหมไอคนที่มันไม่รู้จักชีวิตมันก็เลยปล่อยให้ชีวิตมันเวียงซ้ายเวียงขวาเวียงบนเวียงล่างขึ้นสุดลงสุดชีวิตจริงสุดๆไปเลย ตายเลยชีวิตถ้ามันไปแบบสุดๆไปเลยนี่ตายหมดเลยใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วไอ้ตัวที่ทําให้ชีวิตเรายังดมลงอยู่นี่คือตัวเป็นกลางนั่นแหละคือเหตุผลว่าทําไมต้องทํากรรมฐานทีนี้ที่อาจารย์พยามพัญชนามาตลอดว่าการทํากรรมฐานไม่ได้เปมุ่งเรื่องความสงบ่เข้าใจยังไงเนี้ยเออ เพราะการมุ่งสู่ความสงบก็คือการไปบังคับให้จิตเป็นอีกฝั่งหนึ่งเพราะความเข้าใจว่าจิตตัวเองมันไม่สงบมันฟุ้งซ่านเพราะกูทำก็ต้องทำให้มันสงบเบียงอีกฝั่งแทนที่จะอ๋องั้นเรามาดูทีว่าแทนที่จะปฏิบัติแบบเออมาดูทีว่าทําไมใจเรามันถึงเดียเด๋ยวสงบเดี๋ยวไม่สงบมันเริ่มจากอะไรวะอ๋อเริ่มจากตรงกลางวะ เพระนั้นพอรถอยู่ตรงกลางปั๊บมันไม่สงบเดี๋ยวเากลับกลางอเอ้ยมันสงบอ๋อไม่เป็นไรถ้ามันจะกลับกลางอ้าวตกลงตลงัวกลางนี่เองคือทางรอดทางออกเข้าใจยังที น, นี้อืม้ะหายไปอีกแล้วเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าในความเป็นกลางที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นผลนะมันเป็นผลตรงที่ว่า เมื่อใดก็ตามที่เราเผลอแล้วปล่อยให้ใจมันไหลไปทางอากุศลมันก็กลายเป็นร่องรอยถ้าปล่อยให้มันเวียนว่ายในภพน้อยภพใหญ่นานๆร่องรอยก็ขุดลึกลงเรื่อยๆเข้าใจยังไงนะฉันใดก็เหมือนกันถ้ามันเข้ามาสู่ฝ่ายกุศลมันก็เป็นร่องรอยถ้า มันที่จะทำให้เป็นร่องรอยลึกๆมันก็เป็นฝ่ายกุศลฝ่ายบุญเนะ่ะมันก็ยังดีกว่าฝ่ายอากุศลฝ่ายบาปวะใช่หรือไม่เพราะอย่าง น, น้อยๆ่ันก็ยังมีหนทางไปที่เป็นกุศลนะ่ะที่เป็นสุขติภูมิอนะ่ะแต่ถ้ามุ่งแต่ถ้าเรามุ่งสู่ความหลุดพ้นเนะ่ะมุ่งสู่ความพ้นเลยอะ่ะมุ่งสู่ความพ้นทุกข์อ่ะเราต้องเข้าใจและ ต้องรู้จักนี่กลับมาให้กลับมารู้สึกตัวเพราะการกลับมารู้สึกตัวนี้แหละคือการทําสติตปริโยธา ป, ปนังเป็นการชําระจิตของตนให้ขาวรอบให้ผ่องแผ้วนะว่าที่ตั้งเขียด้วยสามทางเนี่ยที่อาจารย์พูดเนี่ยมันก็คือสัรพาบาปสปาการนังพึงละเว้นการทําบาปเสียเพื่อไม่ให้มีร่องรอย กุศล ส, สู้ประสมปราเพื่อทำกุศลตรงๆเพื่อมีร่องรอยแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นสจิตตาบริโยธาบนังก็กลับมารู้สึกตัวซะเพื่อที่คุณจะไม่ตกอยู่ภายใต้ความยึดถือแม้แต่ดีเจารยาบอกไงทำดีต้องกลับมารู้สึกตัวแต่ถ้าทำดีแล้วมันยึดดีมันก็ทุกข์เพราะมันยึดดี เพราะมันมีภาพบางอย่างในใจแล้วอยากให้ได้เป็นอย่างนั้นใช่หรือไม่อุตศาช่วยมึงขนาดนี้เนี่ยมงยึงไม่รู้เรื่องมึงยังไม่เข้าใจอีกเหรอทาไมมึงทำอย่างนี้นนไปด่าเขาไอ้ที่ด่าเขาออกมาในทุกไหมทุกได้ไห ม, ไหมแล้วพูดพันนามาเนี่ยเรื่องดีทั้งนั้นเลยนะที่ช่วยเขาที่พาเขาทำนู่นนี่เนี่ยดีหมดเลยนะแต่ทุกเพราะอะไรนะเพราะ มันไม่แน่ใจอยากให้เขาเป็นอย่างที่เราคิดนะมันไปนติดเพราะในขณะที่เรากลับมารู้สึกตัวเนี่ยมันมีความเป็นอุเบกขาอยู่ในตัวได้นะการที่กลับมารู้สึกตัวเนี่ยมันทําให้เกิดความเป็นอุเบกขาและความเป็นอุเบกขาเนี่ยมันคือคุณสมบัติของสัมมาสมาธิ ในสัมมาสมาธิบอกว่าเพราะละสุขเสียได้เพราะละทุกข์เสียได้เพราะความที่โสมนัสและโทมมานัสทั้งสองดับลงในการกรสติบริสุทธิ์ทิงมีสติบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความเป็นอุเบกขาแล้วแลอยู่เข้าใจไหมนั่นคือคุณสมบัติของสัมมา สมาธิเนี่ยไอ้ตัวสัมมาสมาธิตัวเนี้ยตัวสัมมาสมาธิตัวเนี้ยมันคือตัวที่ทำให้เราเห็นกับทุกอาการที่ปรากฏว่ามันอยู่ภายใต้กดพรตไตรลักษ์อาการกายที่ปรากฏอยู่ก็เป็นอาการของพรตไตรลักษ์ที่แสดงตัวอาการจิตที่ปรากฏก็เป็นอาการที่มันเกิดจากพรตไตรลักษ์บีบคั้น เพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งทําไมอาจารย์ถึงบอกให้มันกลับมารู้สึกตัวเพราะการกลับมารู้สึกตัวนั้นทําให้หลุดพ้นจากการถูกครอบงําของความเป็นบวกของความเป็นลบหลุดออกจากวัฏสงสารหรือสังสารวัฏที่ลังเวียนไหวในภพน้อยภพใหญ่เหล่านั้นหลุดออกมาเพื่อเห็นภพน้อยภพใหญ่เหล่านั้นมันก็เกิดแลระดับเห็นสังสารวัฏเหล่านั้นมาเกิดแล้วก็ดับ เห็นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเกิดระดับด้วยความมีโอเบขาเพราะฉั้นมันจึงนําพาสู่ความหลุดพ้นอยู่ในตัวปัญหาคือทํำยังไงให้คนเข้าใจเพราะคนส่วนมากเวลาไปเป็นอารมณ์บวกมันก็จะไปในอารมณ์บวกพอติดในอารมณ์ลบไม่อยากลบแต่มันดันลบไปเรื่อยๆไอ้ไม่อยากลบนั่นแหละมันลบไปเรื่อยๆใช่ไหมออมีวันหนึ่งหลวงตาหลวงตารูปหนึ่งคัน นั่งคุยกับพระอาจารย์ท่านบอกว่าผมมีเรื่องหนึ่งนะผมชอบมากเนทะ่านผมมีเรื่องหนึ่งผมชอบมากเลยท่านก็เลยเมตตาเล่าให้ฟังมีครั้งหนึ่งไอสไต์ <c oughs> เจอกับชาลีชาพปินรู้จักไหมเกชาลีชาพิหม ชรีชับเป็นบอกไอสไตล์บอกผมชอบคุณมากเลยอะ่ะ ค, คุณไม่พูดสักคาอะ่ะแต่คนน่ะกับรู้เรื่องที่คุณทําเข้าใจไหมคุณไม่พูดสักคำเลยแต่คนรู้เรื่องกับคุณทําอ่ะผมชอบค <plugged in. S 3> <int> ุณมากเลยไอสไตล์บอกชารีชับเป็นบอกผมก็ชอบคุณแทนคุณพูดลาสิ่งหลายอย่างเลยแต่คนไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ แ ต, แต่คนก็ชอบคุ ณ, <laughs> ค, ณคุณพูดเยอะแมากมายแต่คนไม่เคยรู้คนไม่รู้เรื่องที่คุณพูดเลยแต่คนก็ชอบคุณขณะที่ชลิปเจ้ไอ้สายบอกผมชอบคุณมากเลยที่คุณไม่พูดอะไรเลยแต่คนก็รู้เรื่องคุณคนก็รู้เรื่องที่คุณทําแสดงออกมาดูอยากใช่ไหมนี่คือการพบกันสองสองผู้ยิ่งใหญ่ ในโลกแห่งการสื่อสารใรทีนีม้มีตอนหนึ่งชาลีชเป้นเขาเขาไปไปพูดไปปตาตกถาที่อันนี้บอกคนรู้จักชาลีชเป้นผ่านการไม่พูดอะไรนะหนังใบใช่ไหมทำท่าทำท่าใช่ปะนี่เล่าเล่าเล่าเรื่องไอสไตล์กับชาลีให้ฟังก่อนตอนแรกเพื่อให้นว่าชาลีเขาไ ม, าไม่ไม่เคยใช้คำพูดนะ ทีนี้มีวันหนึ่งเขาก็เชิญชาริชัปปนเนี่ยไปปทาทกถาที่หอประชุมแห่งหนึ่งคนเต็มเลยชาริชัปปนเขาก็ขึ้นไปพูดเขาก็เล่าเรื่องเรื่องชีวิตของเขาตั้งแต่นูน้น น, น, นี่นีนี่นูจนกระทั่งก้าวมาจนประสบผลสําเร็จจากความยากลําบากค่อยๆเขาค่อยๆเล่าวรืเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนประสบผลสําเร็จ โอ่เล่าจบปั๊บทุกคนประทับใจมากมีความสุขะประทับใจกับเรื่องราวของเขาทุกคนลุกขึ้นยืนตบมือกันสนันเป่าปากฟิวฟ wow, wow, wow ้าฟิวฟฟิวฟตบมือกันหน้าเดิมชาลิเชเ ป, ป็นรอจนเสียงสงบลงจากนั้นชาลิเชเ ป, ป็นก็เล่าอีกเรื่องเดิมเล่าเรื่องเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างอารมณ์เดิมทุกอย่าง ไล่มาเหมือนเหมือนเห ม, มือนกรอเทปใหม่เข้าใจป่ะเล่าด้วยวีลาอารมณ์คำพูดเนื้อหาเหมือนเดิมจบลงมีเสียงตบมือเป๊ะๆแต่ไม่มีเสียงปอบปากฟิวฟ้าฟิวฟ้าอีกแล้วนะตบมือมจบลงชาลีก็เริ่มเล่ารอบที่สามเหมือนเดิมอันเดิมเหมือนเดิมทั้งหมดทุกอย่าง มีเสียงตบมือแปะแปะแปะน้อยมากังเงียบชาลีก็เลยบอกว่าเราสังเกตไหมในเรื่องความสุขอะเรามักจะลืมมันง่ายแต่พอเรื่องความทุกข์อะเรามักจะเผยให้มัน ย้อนกลับมาเล่นงานเราซ้ำแล้วซ้ำแล้วจริงปะเรื่องความสุขเห็นไหมแรกๆไตบมือกันเบ่าปากฟิวฟ้าพอได้ินครั้งที่สองคั้งที่สามเบื่อแล้วแต่เรื่องความทุกข์สังเกตดูไหม มันด่ากูอย่างนี้สักพักหนึ่งเริ่มจะดีขึ้นหน่อยข้าวที่แล้วมันก็ว่ากูอย่างนี้พหนหลายครั้งแล้วทังเกตดูไหมเรามากักจะทบทวนความทุกข์ให้ตัวเอ ง, งเสมอใช่ปะเพราะาว่า ไอเนี้ยโอกาสที่จะจมๆแล้วลออ่องลอยลึกอ่ะเยอะไหมเยอะเพราะเมื่อกี้จริงไม่แปลกไงอาจารย์นั้นถามว่าปกติความคิดเรา <laughs> เราอยู่กับทำฝ่ายไหนทุกคนตอบแบบพ ร, ร้อมกันมากเลยลบ <Nope. S 1> <laughs> เพราจริงๆนะอาจารย์เราอยู่ฝ่ายกลางไงเยอะแต่เรามักจะมีแนวโน้มไปทางลบ <Nope. S 1> อยู่เลยเข้าใจยังเห็นี้ <laughs> มันให้เข้าใจว่า คุณจะอยู่ฝ่ายบวกหรือฝ่ายลบมันก็ไม่ใช่ที่อยู่ทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบ ก, ก็ไม่ใช่ที่อยู่ที่สําคัญคือมันจะไปยังไงเขอขอให้คุณกลับมาให้ได้มันไปยังไงให้กลับมาให้ได้นั่นคือผลทำไมอาจารย์ถึงบอกให้คุณกลับมารู้สึกตัวทําไมถึงวญาติาบอกให้คุณกลับมารู้สึกตัวแล้วให้คุณสังเกตดูว่า พอใจเราอยู่มันเป็นยังไงพอใจมันหลงออกไปมันเป็นยังไงพอมันกลับคืนมาได้เป็นยังไงจำได้ไหมจาได้ไหมจาได้ไหมเออไม่ให้พยักหน้างอแ ง, ง, งโอ้สอนคนให้ไม่ได้กิ้งก่าไว้ตลองจําได้ใช่ปะเออ นั่นคือผลว่าทำไมอาจารย์บอกว่าใจความสำคัญของการปฏิบัติมันมีอยู่สองข้อข้อที่1ให้เข้าใจองค์ประกอบของกรรมาฐานว่ากรรมาฐานประกอบด้วยฐานกับใจจากนั้นให้ในใจความสั้งพันข้อที่2ก็คือให้รู้ทันวาระของใจ3ามวาระคือใจอยู่ที่ฐานเป็นอย่างไรใจหลงออกไปเป็นอย่างไรใจกลับคืนมาได้เป็น อย่างไรให้สังเกตมันการสังเกตจะทําให้เราเห็นความจริงแล้วมันจะเลือกมันจะเลือกที่เป็นมันจะเลือกถูกว่าเราควรจะอยู่อย่างไรอยู่ยังไงอยู่กับอะไรเข้าใจไหมทีนี้อะไรที่มันพาเราไปเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรที่พาเราให้จมจมอยู่ในพบน้อยพบใหญ่เนาะโอเคไหม เข้าใจั้ยอธิบายอย่างนี้เข้าใจเลยเนาะมองภาพออกเนาะอะั้นแถมอีกนิดหนึ่งกันห้หอะนี่คือคำสอนวันหนึ่งพระ อ, อาจารย์ไปบาหลีไปบาหลีไหมจ๊ะ เคยไปใช่ไหมะจะเล่าให้ฟังที่บาหลีมันจะมีซุ้มประตูแบบเนี้แล้วก็มียักษ์บบเข้าใจไหมเออทีนี้ไปที่ไหนที่ไหนในบาหลีก็จะมีซุ้มประตูแบบเนี้ยจะเข้าบ้านคนจะเข้าสํานักงานธาราชการจะเข้าวังเก่าจะเข้าวาอารามจะเข้าวังเข้าวัดวาอารามเข้าสถานที่ใดก็ตาม ทุกที่จะมีซุ้มประตูแบบนี้เสร็จแล้วมีวันหนึ่งไปที่วงังแห่งวังเก่าไก่เขาบอกว่าที่นะครับซุ้มประตูเนี่ยมันมียักษ์อยู่สองตัวเห็นไหมครับเห็นยักษ์สองตัวเนี่ยคนเขาชอบมาอธิษฐานขอพรมันมียักษ์ตัวดีกับยักษ์ตัวร้ายอยู่เวลาอธิษฐานแล้วมักจะสมประสบผลสําเร็จ ก็เลือกดูนะครับว่าจะขอดีฐานตัวไหนเพราะผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหน ย, ย, ยักษ์ดีกับยักษ์ร้ายมันอยู่สองตัวนี่แหละครับแต่ผมไม่รู้ตัวไหนพอเขาพูดคํานั้นปุ๊บอาจารย์ปิ้งเลยโอ้เข้าใจแล้วแล้วก็สงสัยมาตลอดว่ามันทําไมต้องมีสับซึมประตูแบบนี้เคยสงสัยไหมเนี่ยไปไหนไปไหนเห็นอะไรเคยสงสัยไหมชีวิตนี้ความสงสัยนําพาหาคําตอบนะแต่สงสัยแบบอาจารย์คือสงสัยไม่ได้แบบ ทุกทุนทุลายนะสงสัยก็เลยสงสัยแต่ยังไม่ได้คําตอบว่าไม่เป็นไรแต่สักวันมันจะเจอคําตอบที่อาจารย์ก็สงสัยพอเขาพูดคํานี้ปับ๊บมันปิ้งคำตอบขึ้นเลยนะโอ้งั้นเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วทําไมบรรดชนบาลีถึงสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาก็เลยบอกว่าเขาบอกว่าทําไมอาจารย์เคยมาหรอบอกไม่เคย อ, อธิบายให้ฟังเอาไหมเขาบอกเอาครับลูกทัวร์ทั้งหมดก็โอเคไกลก็โอเค ขัาจารย์ก็เรียกว่าที่เขาทำเหมือนกันเนี่ยแล้วบอกว่ามันมีดีกับไม่ดีเนี่ยมีดีกับชั่วเนี่ยแต่กับทำเหมือนกันคือบัณพิตชาวบาหลีต้องการสอนลูกหลานให้รู้ว่าดีหรือชั่วมันก็ติดหมดถ้าเองแฉไ ป, ปติดเพรา ะ, ะทางออกอยู่ตรงกลางให้ลูกหลาน ทางออกอยู่ตรงกลางเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นชีวิตอย่าไปติดดีติดชั่วอย่าไปติดแค่ดีแค่ชั่วอย่าไปติดแค่คุณแค่โทษอย่าไปติดแค่บุญแค่บาปเธอจงรู้จักบุญบาปและทางออกดีชั่วและทางออกคุณโทษและทางออกนี่คือคำสอนพระพุทธเจ้าเลย พระพุทธเจ้าบอกว่าเราจะไม่สอนให้เธอไปติดอยู่ในสองฝั่งแต่เราจะสอนให้เธอรู้จักตรงกลางจึงเรียกคำสอนพระพุทธเจ้าว่ามัดเชนธรรมทำอันชี้ตรงกลางเสมอทำที่เป็นกลางเสมอเพราะตรงกลางนั่นแหละคือทางรอดทางออกเข้าใจอย่างเห็นนี้เห็นไหมใช่ั้ย วิ่งไปตามถนนหนทางมันก็มีไอ้ไอ้ไอ้ซุ้มประตูเนี่ยอยู่ ข, ข้างทางนะบอกให้รู้เลยนะมึงแ ké ไปทางนี้มึงก็ชนมึงแ ké ไปนี้ก็ชนทางรอดอยู่ตรงกลางนะเฮ้ยเนี่ยเขาบอกลูกหลานเขาอย่าประมาทมึงออกซ้ายก็ชนออกขวาก็ชนตรงกลางรอดเห็นไหมทุกอย่างแล้วยิ่งไปเจอพฤติกรรมชีวิตเขานะ เช้ามาเนี่ยกระทงเลี้ยงกระทงเล็ ก, ลกวางตามฟุตบาทตามทางเดินแล้วก็ตั้งหิ้งขึ้นมาก็วางข้างบนอาจารย์ก็ถามทำอะไรอะ่ะ for bad spirit อันน่ะ for good spirit <laughs> อันนี้คือสำหรับวิญญาณชั่วร้ายอันนั้นน่ะสำหรับวิญญาณดีอ้าวทำไมต้องเลี้ยงทั้งสองอะ่ะถ้าวิญญาณชั่วร้ายไม่อิ่มก็สร้างปัญหา ถ้าวิญญาณดีไม่อิ่มก็สร้างปัญหาเพราะฉะนั้นเลี้ยงให้อิ่มทั้งสองเราลอดเหมือนว่าโอ้จริงของมานวะใช่ไหมถูกไหมแต่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังจะไม่ลอดเพราะมันไม่เคยอิ่มทั้งสองฝั่งว่ามันไม่มีใครจะเป็นแบทสปิลิป มันบอกแต่มันเป็นกูตสปิริตกันทั้งนั้นเลยแต่พฤติกรรมแแบบแแบบแแบบมากเลยพฤติกรรมนี่แบบแแบบมากเลยต้องออกปากกันเลยแบบนะพยายามท่องบอกตัวเองกูตกูตกูตกูตอยู่นั่นนะอ่าเพราะน่าจะเห็นได้ว่าสำคัญคือตรงเนี้ย ใช่ไหมดีก็ติดใช่ไหมแฉก็ไปติดไนหะติดชั่วก็ติดไหมติดคุณก็ติดโทษก็ติดนไะทางออกอยู่ยตรงนี้นะรู้จักคุณรู้จักโทษและทางออกกำมันรู้จักดีรู้จกัจกชั่วและทางออกกำมันรู้จักบุญรู้จักบาปและทางออกกำมันเพราะฉะนั้นอะไรคือทางออก อะไรคือท้งออกกลับมารู้สึกตัวเข้าใจไหมทางออกคืออาการกลับมารู้สึกตัวทำจิตให้กลับคืนเป็นกลางเป็นอุเบกขาตรงนี้เองโอเคมาเข้าสู่การปฏิบัติกันต่อ คิดเดีขนาดอาจารย์พาเด็กอายุสิบสามสิบสามถึงสิบเจ็ดเป็นคอร์สยุววันในข่ำทำว่ารูปนาฬิกาเด็กยังหากิ้งเลยอาจารย์บอกเอาว่านาฬิกาขึ้นมาเป็นของเราเองเด็กหากิ้งเลยเออกทำไมอ่ะเราทำไ ม, อ, ำไมอ๋อจะได้ไม่ยืมเพื่อนครับเข้าใจไหม เด็กม <cima> ันย <laughs> ังรู้จ <érer> <masa> <laughs> <laughs> ักเลยว่าอะไรถูกอะไรผิดจะได้ไม่ต้องไปยืมเพื่อนนะเข้าใจไหมนาิกเด็กเมบอกจะได้ไม่ยืมเพื่อนหรอกบอกทำไมยืมเพื่อนแล้วเป็นะไรยืมแล้วเพื่อนตายครับ รับป่านนี้ยังหาเจ้าของไม่ได้ยีกมห้าเรือนเพื่อแจ้งได้แค่สามเรือนอา้านี่อาจารย์พูดเรื่องนาฬิกาอาจารย์นะแจ้งได้สองเรือนสองเรือนสองเรือนเป็นของเพื่อนอีกหนึ่งเรือนมีใบสั่งซื้อแต่ไม่รู้เป็นของใคร อีก25่สิบห้ายังหาที่มาไม่ได้กุ้มใจเลยอาจารย์นะกุ้มใจมากเลยเด็กมันแซลล์อ้าวตั้งใจปฏิบัติลองดูหนึ่งชั่วโมงเต็มๆหนึ่งชั่วโมงเต็มๆกับการนั่งยุกมือ้างจังหวะให้รู้สึกตัวให้รู้สึกตัว ให้ใจกับสูตรฐานกับสู่ภาวะเดิมแค่รู้เฉยเฉยอยู่กับกรรมที่เป็นกลางกลางคืออภิญญา ก, กรรมอยู่ธรรมที่เป็นกลางอภยากตกรรมเนี่ยให้เป็นกลางๆแล้วลองสังเกตว่ามันมีอาการออกบวกออกลบมีการออกบวกออกลบไหมให้เห็นมันนะสังเกตตรงเนี้ยเพื่อหเห็น อาพร้อมหนึ่งชั่วโมงเลยนะลองสังเกตดูหนึ่งชั่วโมงกับการลองปฏิบัติไปเรื่อยๆลองสังเกตไปเรื่อยๆ <c oughs> ทำแบบไม่มีเป้าหมาย <c oughs> แค่รู้สึกตัวแล้วสังเกตไปเรื่อยๆทีละขณะทีละขณะ เกิดอะไรขึ้นก็นสังเกตมันไปทําไปเรื่อยๆตั้งใจทําทีละครั้งรู้สึกกับขณะแต่ละขณะอยู่กับปัจจุบันตรงนั้นอย่างที่อาจารย์บอกอะปัจจุบันไม่ได้ทําให้เราพ้นทุกปัจจุบันไม่ได้ทําให้เรา <c oughs> หลุดพ้นแต่ปัจจุบันมาทําให้เราเห็นความไม่ทุกข์ และความไม่ทุกข์จะเป็นเหตุให้เราเห็นความหลุดพ้นได้เกาถึงความหลุดพ้นได้เพราะฉะนั้นการสังเกตตั้งแต่ลักษณะที่มันเกิดอะไรขึ้นและเป็นกลไกลเป็นวิธีการที่สำคัญที่ำทำไม่เกิดการเปลี่ย น, นแปลงครั้งยิ่งใหญ่เมื่อสองพันสองพันกร้อยปีที่แล้ว เวลายกมือสร้างจังหวะแค่ตั้งใจยกทีละครั้งล้วก็รู้ทีละครั้งก็จบลงทีละครั้งให้มันเป็นจังหวะทีละจังหวะอย่าไปไหลลื่นไม่ใช่แต่แขงปั๊บหยุด ยกขึ้นปั๊ก็หยุดสมาทธิตองก็หยุดตั้งใจทําทีละครั้งใหม่ทุกครั้งทําสบายๆอย่าเกรงเวลาหยุดก็คือหยุดหยุดก็คือหยุดพักจริงแล้วก็เคลื่อนออกกรู้สึกกับมันก็ุดเวลาเคลื่อนก็เคลื่อนเวลาหยุดก็หยุด เราไม่ได้เอาท่าถูกไม่ได้เอาท่าสวยเอาที่มันรู้สึกตัวโดยใช้หลักการคือตั้งใจทำทีละครั้งรู้ทีละครั้งจบลงทีละครั้งและในระหว่างที่เราทำไปนั้นมันเกิดอะไรขึ้นให้สังเกตไปด้วย เวลาหยุดพักหือพักจริงวางไววางไวจริงๆอย่าไปอังไว้อังมันทำให้เกร็งเกร็งแล้วมันก็จะค่อยๆเกรงขึ้นเรื่อยๆพักคือพักเลยสังเกตไหมว่าอาจารย์ไม่เคยพูดสักครั้งว่าให้หลับตาทำเนาะ บางคนก็หลับตาทํำมาตั้งงานนะมีอยู่คอร์สนึงเ<ะ>พิ่งปิดคอร์สไปเมื่อวันก่อนเนี่ยทํามาห้าวันเพิ่งจะมาถามคำถามตกลงต้องหลับตาหรือไม่หลับตาครับ <distribution> จนปิดคอร์สอะ่ะวันปิดคอร์สมาถามว่า ต้องหลับตาหรือไม่หลับตาดีครับอัยาเราไม่หลับตาทำเพราะขนาดลืมตาง่วงยังเอาไปกินเลยหลับตาครับเชิญชวนมันดีๆนี่เองแต่ที่เราหลับตาเพราะอะไรเคยชิน พอเวลาเราไปปฏิบัติที่ไหนก็ตามเขาต้องให้เราหลับตาปฏิบัติไม่ได้เกี่ยวกับหลับตาหรือไม่หลับตาเพราะมันไม่ได้ใช้ตานี้มันใช้ตาในาตาใจที่จะเห็นสภาวะธรรมเข้าใจไหมสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นที่กายที่ใจต้องใช้ตาในาตาเนื้อตานอก มีไว้าสำหรับกระทบอายตนะเพื่อหเห็ น, นกลไกการทำงานของขันส่วนการเห็นขันทำงานคือตาในตาใจไม่เกี่ยวกับตานอกเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปบังคับให้มันหลับ ก็วางสายตาสบายๆแล้วก็ทำไปให้ความสำคัญกับการรู้สึกตัวสังเกตไหมว่าเรานั่งทำอะไรเราทำน่วนทำนี่เราไม่เคยง่วงเลยนะแต่พอเวลาเราปฏิบัติทำนี่มันง่วงงวงนะแปลกไหมทำไมอะ ฮะนะนั่งเล่นไพ่ก็ไม่ง่วงนั่งดูหนังก็ไม่ง่วงนั่งดูละครก็ไม่ง่วงนินทาชาวบ้านก็ไม่ง่วงเอ๊ะแล้วทํำไมนั่งยกมือซ้ายยังหวาหรือนั่งสมาธิที่ไรนะโอ้ง่วงเป็นไรอ่ะนี่ขนาดเคลื่อนไหวนะนี่นี่ขนาดเคลื่อนมือยกไปยกมานะนี่ง่วงยังแบบพยายามจะต้มตีอยู่นั่นแหละใช่ปะ่ะ ที่ดวนั่งนิ่งๆจะหลับเร็วไหมล่ะตั้งแต่สองนาทีแรกแล้วเพราะกายมันเป็นทุกข์และใจมันเป็นทุกข์กายมันเป็นก้อนทุกข์ ใจมันเป็นก้อนทุกข์เขาเรียกความเงวอเหงหอนอนพวกนี้ว่าเป็นนิวรณธรรมนิวรณแปลว่าเครื่องกัน้นเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเครื่องกัน้นการบรรลุความดีเห็นไหมมันมาทุกครั้งตอนเวลาเราทำความดี ใช่ไหมเราจะยกมือสร้างจังหวะมันก็มาจากนั้นดูลมหายใจมันก็มาจะทำสมาธิมันก็มานี่แหละเขาเรียกว่ามันเป็นเครื่องกัน้นบางทีนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรก็ไม่มานะ พอยกมือท่าจังหวะนั้นนะ ม, มาเนละี่ยพอตั้งใจว่าจะปฏิบัติทำเท่านั้นอนะ่ะเอาละใช่ไหมใช่แม้แต่เดินจงกรมยังง่วงเลยอะ่ะจะบอกเลิกเดินอ่ะเลิกเท่นั้นแหละสดทีใช่ไหมใช่เออพอให้เลิกทำเท่านั้นละสดทีอะไรอะ่ะ สังเกตดูดีๆดิเกิดอะไรขึ้นกันเราสังเกตดูไหมว่าความง่วงมันมาตอนไหนได้เห็นไหมตอนไหนตอนไหน มันมาตอนไห น, นสังเกตไหมเอาตอบยังไม่ได้ก็สังเกตต่อไปสังเกตไปไงคือสังเกตไหมมีเผลอคิดอยู่เรื่อยๆไหมรานชิเห็นไหมว่า นยิยามของหลวงปู่เทียนที่บอกว่าเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนะึกคิดมีจริงไหมกายเคลื่อนไหวกายแสดงออกในรูปแบบเคลื่อนไหวหรืออิริยาบถใจแสดงออกในภาพของความคิดในเรื่องของความคิดนอกจากจะมีความคิดเกิดขึ้นอยู่เนืองๆแล้วยังมีอะไรเป็นของแถมถามว่าความง่วงเกิดขึ้นตอนไหนได้สังเกตไหมตอนไหน ตอนที่ใจมันเผย อ, ออกไปนั่นแหละใช่หรือไม่พอใจเผย อ, ออกไปคิดพักหนึ่งความง่วงเอวุบเข้ามาวับคิดก็กลายเป็นฝันใช่ไหม เ, เรื่องเดียวกันนั่นแยจะคมชัดขึ้นตอนตามันหลับลงไปแหละวไอ้ตาทนนี้ตาอยัางลืมๆอยู่ยังไม่คมชัดเท่าไหร่นะยังเป็นยังรู้ว่าคิดเป็นคิดเป็นคิดเป็นคิดเป็นฝันพอตาหลับลงท่านะฝันเลย ภาพมันชัดขึ้นทันทีเป็นเรื่องราวรุนแรนขึ้นทันทีใช่หรือไม่ทําไมมันเป็นอย่างนั้นนะทําไมในความตอนที่เราหลับวูบลงไปแล้วมันความฝันนี่ใช่มันชัดกว่าความคิดอ่ามันเกิดอาการจมเข้าไปในความคิดเรียบร้อยแล้วเข้าใจไหมคือ ไอตอนที่มันลืมตาอยู่เนี่ยแล้วมันคิดเนี่ยมันยังแบบมีความรู้สึกตัวอยู่นะมันก็ผมกงมยื้อไปยื้อมาความคิดก็คิดกลับมารู้สึกตัวเคลื่อนไหวก็กลับหรือจะคิดคิดก็คิ ด, ค ด, คดมันก็เลยแบบยังไม่ชัดไม่ชัดแต่พอไอ้นี่ตกแปะหลับปุ๊บทิ้งไปฝ่ายเดียวเลยใช่เลยไห่ มันจมเข้าไปในความคิดทันทีปุ๊บชัดขึ้นทันทีสังเกตดูไห ม, มตอนเราวุบลงปุ๊บนี่ความคิดมันชัดขึ้นเป็นความฝันเลยใช่ป่ะนั่นแหละนั่นคืออาการของจิตที่แสดงออกในรูปของความคิดนั่นเองกลางคืนว่าฝันกลางวันว่าคิดอันเดียวกันและที่หนักกว่านั้นคือฝันกลางวัน กลางคืนว่าฝันกลางวันว่าคิดแต่หนักที่สุดคือฝันกลางวันใช่หรือไม่เพราะนั้นแปลว่ามันหลับในเวลากลางวันแล้วก็ฝันไปจริงๆก็คือความคิดนั่นเองเพราะนั้นจึงบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตื่นแล้วจากความฝันทั้งปวงนันแปลว่าพระองค์ไม่คิดใช่ไหมพระองค์ไม่คิดพระองค์ไม่ฝันใช่ไหมไม่ใช่ ความคิดความฝันเป็นธรรมดาของจิตที่มันแสดงแต่พระองค์ไม่ได้เป็นไปกับมันอีกต่อไปเพราะการเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดมันจะทำให้เราเห็นธรรมชาติสองกองคือมีกายผ่านอิริยบทมีจิตผ่านความคิดมีสติคือผู้รู้เป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นเป็นผู้สังเกตการ ั้นกายก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ผ่านอิเดียบทจิตก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ผ่านความคิดผู้รู้จะเริ่มเด่นขึ้นเรื่อยๆถ้าเราเริ่มมองเห็นกายผ่านอิเดียบทมองเห็นจิตผ่านความคิดทารู้จะเด่นขึ้นเป็นผู้เห็นเป็นผู้ดูทั้งสองตัวนั้นนะดูดีๆนะดูดีๆตัวเองนั่นแหละลืมสังเกตเอง ปไปเดี๋ยวไปทานข้าวกัน